ที่มีปัมมานะเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้142วิญญาณขันโหมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะวิญญาณขันโหมดละสองได้แก่วิญญาณขันที่วิปยุทธจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปยุทธจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ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 ได้แก่วิญญาณขันที่มีอณิตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอานาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันหมวดละ10บมีด้วยอาการอย่างนี้148วิญญาณขันหมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตไ ด, ด้ผัสสะวิญญาณขันหมวดละสองได้แก่วิญญาณขันที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มี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 จึงมีจักกุวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณขันหมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละ24อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจักกุสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอัตุ ข, ขมะสุขเวทนาหนึ่งจึงมี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 วิญญาณขันที่มีธรร ม, ภ า, ม, มภายในตนเป็นอารมณ์หนึ่งที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หนึ่งที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์หนึ่งจึงมีจักขุวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณขันหมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละ30สได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันที่เป็นกามาวจรหนึ่ง ที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตทุหนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัเาายเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่เป็นกามาวจรหนึ่ง ที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกหนึ่งจึงมีจักุวิญญาณมาโนวิญญาณวิญญาณขันหมวดละสามสมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมอดละมากอย่างได้แก่เพราะจากักุสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยวิญญาณขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่ง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 2เวทนาติกกวิสัชนาขันสองกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุ değil, ทธ์ด้วยอัตุกรมสุขเวทนาขันสามที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอัตุกรมสุขเวทนาก็มี 3. วิปากติกกวิสัชนา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 ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีหกสวิตตกะติกะวิสัชนารูปขันไม่มีทั้งวิตตกและวิจารขันสามที่มีทั้งวิตตกและวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีสังขารขันที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจาร์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มี 7. จ็ดปีติกิกะวิจัชนารูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขา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 ทีนติกาวิจัตชนาะรูปประคันเป็นชั้นกลางขันศีที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มี15มิจฉัตติกรริจัตชนาะรูปประคันเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นขันศีที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มี ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มักมัคคะรัมณติกวิจัชนารูปขันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสที่มีมัคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมัคเป็นเหตุก็มีที่มีมัคเป็นอธิปอดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมัคเป็นอารมณ์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 ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี 2. ทุกะมาติกาวิจัชนา 1. งเหตุโคจตะกวิจัชนา153ยขันสี่ไม่เป็นเหตุสังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีรูปประขันไม่มีเหตุขันสี่ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มี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 รูปประขันที่เห็นได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ก็มีขันสี todo, ่กระทบไม่ได้รูปประขันที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปประขันเป็นรูปขันส ati uh> ี่ไม่เป็นรูปรูปประขันเป็นโลกิยะขันสี่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีขันห้าที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี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 วิปยุจจากอาสวะแต่เป <hết. S 1> ็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญโยชนะโคจัชกาวิสัชนาขันสีไม่เป็นสังโยตสังขารขันที่เป็นสังโยชตก็มีที่ไม่เป็นสังโยตก็มีรูปขันเป็นอารมณ์ของสังโยตขันสีที่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มี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 หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและสัมปะยุทธ์ด้วยนิวร์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรแต่ไม่เป็นนิวรขันสากล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและสัมปะยุทธ์ด้วยนิวรณ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรแต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี สังขารขันที่เป็นนิวรณและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรแต่ไม่เป็นนิวรก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวร์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวร์แต่ไม่ป aquí, เป็นนิวรก็มีรูปประคันวิปยุทธจากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรขันสี 4.: ที่วิปยุทธจากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรก็มี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 มีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตขันสองไม่ละคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตขันสามระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตขันสองไม่ละคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต 11. อุปาทานโคจัชะกะ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 ไม่เป็นอุปาทานสังขารขันธ์ rando, ที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีรูปขันธ์เป็นอารมณ์ของอุปาทานขันธ์สี่ท uh ี่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปขันธ์วิปยุจจากอุปาทานขันธ์สี่ที่สัมพยุจด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุจจากอุปาทานก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่า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 สังขารขันที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี M. ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี M. ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี M. รูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมพยุดด้วยอุปาทาน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 ที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล <wi> ่าวไม่ได้ว่ากิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันที่เป็นกิเลสและกิเลส <cryptocurrencies> ทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองหรือกิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มี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 ขันศที่นับเนื่องในวัตทุ ก, ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก็มีรูปขันไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขันศีที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก็มีที่ไม่เป็นเหตุนาออกจากวัตทุก็มีรูปขันเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนขันศีที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีรูปขันมีธรรมอื่นยิ่งกว่า